ย่อมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบนี่นะคือเห็นด้วยยาตะปริญญาเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงปัจจัยของของศีล น, นะใช่ไหมว่าปัจจัยของศีลก็คือมีการฟังมีการทรงจํามีศรัทธามีโยนิโสมนัสิการมีสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นแล้วก็มีฮิริโอตตะและก็สัมปยุต ธ, ธรรมด้วยและสิ่งแวดล้อมด้วยนะปัจจัยภายในด้วยปัจจัยภายนอกด้วยอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งศีลเห็นไหม ถ้าไม่มีเหตุใกล้าภายในหรือเหตุใกล้ทั้งภายนอกหรือไม่มีจักสีเลยนะกุศลศีลเกิดยากอสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยศีลเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ศีลเ น, นี่ยเมื่อเกิดขึ้นเป็นสุขแต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยเป็นทุกข์แล้นะคือตัวของเขาเองนั้นเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เพราะฉะนั้นถ้าพูดยังยึดติดในศีลอีกก็ยังเท่ากับยึดติดในทุกอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันไม่ยึดติดในศีลและไม่รักษาศีลเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เลยทงเลยนะอันนี้อันนี้ต้องเสียหายละมันยอมเห็นโดยตีระปริญญาคือการใครใ่ครวนศีล น, นี่เป็นขันอะไรศีล น, นี่เป็นขันไหมเ ป, เป็นขันขันอะไระสังขา ร, ข, ารขันซะโดยมากกันนะ แต่ว่าจิตตุบาทก็เป็นวิญญาณขันธ์นคําว่าขันธ์นี่ก็บอกเลยใช่ไหมคําว่าผู้ฆ่าก็เป็นชื่อของขันธ์คําว่ามานก็เป็นชื่อของขันธ์นะนะเป็นแพร์นะแต่ว่ามองให้เขาเป็นแพรกันแล้วกันต่อไปว่าความเหย่อมเห็นอวิเเคปะปาริสุทธิโดยชอบอ น, นะนะย่อมเห็นอวิเคปปวเคปะปาริสุทธิอวิเเคปะปาริสุทธิเป็นยังไง อวิชเคปะปาริสุทธีเป็นชื่อของอะไรนะเป็นชื่อของอธิจิตนะนะก็คือทำปริญญาสามในอธิจิตอีกนั่นแหละเนี่ยนะทำยาตะปริญญาในอธิจิตทำตีรณปริญญาในอธิจิตอีกครั้งเนี่ยนะใช่ไหมทำจิตให้เป็นไปกับสมถะเป็นไปกับการเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วเอาจิตอันนั้นมาวิจัยโดยยาตะปริญญาและตีรณปริญญาย่อมเห็นอวิชเคปะปาริสุทธิโดยชอบ ทัศน์ปาริสุทธิอันนี้คือตัวเข้าจริงๆอ่ะทัศน์ปาริสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งทัศนะทั้งสองประการนี้คือเข้าไปเห็นทั้งศีลไปเห็นทั้งสมาธิทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอาธิปัญญาเนี่ยนะเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงทั้งโดยยาตะปริญญาโดยตีรณปริญญาทำปริญญาในศีลและศิกขาแล้วก็จิตตสิกขาไอ้ปัญญาที่ไปทําปริญญาพวกนี้แหละเรียกว่าอาธิปัญญาสิกขา เป็นปัญญาที่ยิ่งกว่ากรรมสักตาปัญญาทั่วไปเย่ะนะมีท่านยังลงศิกขาสามให้เราเห็ น, น, นเนนจ น, นก็คือที่จริงแล้วตั้งกัรเจริญแล้วตั้งเป้าหมายเพื่อวิวตัตะอันนี้ก็เป็นอธิศิลปศึกษาแล้วแะแต่ถ้าหากว่าไปทำปริญญาในศีลอันนี้เป็นกิจของอธิปัญญา บรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและทัศน์นั้นคือทั้ง3ามคำนั้นเนี่ยนะความสำรวมสังวระเป็นชื่อของอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอาธิจิตสิกขาความเห็นแจ้งชื่อว่าอาธิปัญญาสิกขาอันนี้เรียกว่าสิกขา3อย่างไรจรึงจะชื่อว่าสิกขาสามนะคือบัดนี้เพื่อจะแสดงถึงลำดับของสิกขาเหล่านั้นให้บริบูรณ์ ดูซิว่าสิขาเนี่ยจะบริบูรณ์ได้ยังไงพยโยคาวจรโยคาวจรแปลว่าอะไรโยคาวจรโยคาโยคะนั่นเองอาวัจระแปลว่าการท่องเที่ยวหรือโยคาก็คือการประกอบประกอบในสิกขาสามเหม น, นะพโยคาวจรก็คือบุคคลผู้ประพฤติในสิกขาสามนี่แหละ เมื่อนึกถึงศึกษาสามนี้ชื่อว่าศึกษาชื่อว่าศึกษาหรือศิกษาอาวชันโตสิกทติเขาบอกว่าเพื่อจะยังศิกษาสามอย่างอย่างหนึ่งๆเนี่ย น, นะให้บริบูรณ์เนี่ยนะเป็นลักษณะนึกถึงเพื่อจะให้ศิกษาเหล่านี้ให้บริบูรณ์อะทํายังไงสิกษาเหล่านี้จะบริบูรณ์อันนีอาวัชชาอาวัชชเนี่ยนะนึกถึง คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงว่าเอ๊ะทำยังไงทั้งสามนี่จะบริบูรณ์น่ะจำพานาเพึงว่าเอ๊ะทำยังไงแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะบริบูรณ์น่ะอนะอัตถกถาท่านอธิบายอย่างนั้นนะว่าเพื่อจะยังสิกขาสามอย่างเนี่ยนะให้บริบูรณ์เนะนี่ยนะเนี่ยคำ ว, ว่า น, นึกถึงไม่ใช่แค่คิดถึงเออเออศีลจิตปัญญาพอละเย่างนั้นสบายมากอย่างนั้นไม่ชื่อว่าสิกขาหรอกแต่สิกขาก็คือเอ๊ะทำยังไงแต่ละอย่างจะบริบูรณ์ขึ้นแต่ละอย่างจะบริบูรณ์ขึ้น ทีนี้ก็บอกว่าครั้นนึกถึงแล้วแม้รู้อยู่ว่าเมื่อรู้นะแม้รู้อยู่หรือเมื่อรู้่เมื่อรู้ศิกษาสามเหล่านี้ก็ชื่อว่าศึกษาคือนึกถึงว่าเออแต่ละอย่างจะทํายังไงให้บริบูรณ์เมื่อนึกถึงแล้วก็จะรู้ใช่ไมว่าเออศึกษาแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้แต่ละอย่างเป็นอย่างนี้แต่ละอย่างไอการรู้แบบนี้ก็ชื่อว่าสิกษาด้วยชานณโตนะนะชาณโตคือสิกขิตว่างั้นแหละชื่อว่าศึกษาทีนี้ เมื่อรู้แล้วรู้แล้วก็เห็นอยู่บ่อยๆเมื่อเห็นนีก็ต้องเห็นบ่อยๆนะเชื่อว่าเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาปัจสันโตเนี่ยนะเห็นแบบนี้บ่อยๆชื่อว่าศึกษาทีนี้เมื่อพิจารณาตามที่เห็นนะ่ะเมื่อเห็นบ่อยๆมากๆอย่างนี้แล้วก็พิจารณาตามที่เห็นชื่อว่าศึกษาปัจเจเวขันโตเนี่ยนะ พ, พิจารณาเนี่ยนะพิจารณาสิกขาแต่และอย่างแต่และอย่างมากๆอันนี้ก็เป็นสิกขาเหมือนกันทีนี้เมื่อพิจารณามากๆก็บอกว่าก็อธิฐานจิตเมื่ออธิฐานจิตก็ชื่อว่าศึกษาคขาว่าครั้นพิจารณาแล้วแม้ตั้งมั่นทำจิตไม่หวันไววในสิกขาเหล่านั้นคือต้องทำจิตให้เป็นไปกับสิกขามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ชื่อว่าสิกขาเห็นไนะ เรียกว่าอธิษฐานจิตเลยนะอธิษฐานจิตให้จิตเนี่ยมีสิกขาสามแบบนี้มากๆากมากมมากมอันนี้ชื่อว่าสิกขาย้ำเข้าไปคือไทยนี่ชอบใช้คําว่าสมาทานอนะนะแต่ของของบาลีก็ใช้อธิษฐานคือถ้าสมาทานโดยมากจะใช้กับคําว่าศีลเช่นสมาทานศีลสมาทานนี่แปลว่าถือเอาเห็นไหมทานะแปลว่า นนเข้าไปเข้าไปปักใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเข้าไปทำให้มันมีในจิตและให้มันมั่นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะเก็คือท่านอธิบายว่าแม้ตั้งมั่นทําจิตไม่หวันไว้ในสิกขาคือทําจิตให้ไม่หวันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในสิกขาเหล่านี้แต่ถ้าถือเอาให้มันเกิดบ่อ ย, อยๆเนี่ยนะตั้งแต่คำแรกแล้วคืออาวตัโตคือเมื่อนึกถึง อันคำว่านึกถึงก็เอ๊ทำยังไงจะทําให้บริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นทำอันนั้นแบบอยู่ในข้อต้นๆละ<ม>คือเมื่อกุศลธรรมเหล่านี้มันเกิดแล้วอะ่ะแล้วก็ย้ําให้มันเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นการย้ํากุศลธรรมเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลักษณะนี้ชื่อว่าที่ฐานเพราะว่าในลักษณะนี้เขาคล้ายเชื่อมั่นเลยว่าหนทางนี่แหละที่เป็นหนทางเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆอ่ะนะสิกขาสามนี่แหละจะช่วยให้ หมดจดจากวัตตะจริงๆเห็นไทีนี้พอมีคุณธรรมเหล่านั้นแล้วต่อไปกบอกเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเนไหมเขเรียกว่าทํากิจของตนของตนนะนะตรับอินทรีย์แล้วอันนี้อันนี้เรื่อง อ, งองะไรเพราอินทรีย์แล้วนะทำศรัทธาให้เกิดขึ้นเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติมั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้ง จิตไว้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาทั้ง5คํานี้เป็นชื่อของอินรีย์าเห็นไหมสัตทินรีนะศรัทธาก็สัตทินรีความเพียรก็วิริยินทรีย์สติก็เป็นสตินรียจิตก็เป็นสมาทินรีแล้วก็ปัญญาเป็นปัญยินทรีย์ทีนี้ก็เกิดการปรับตัวแล้วว่าอินซีเนี่ยต้องสม่ําเสมอกันนะ เพราะว่าการจะตรัสรู้ธรรมเคือว่าประชุมพภะประชุมโพชชงประชุมอินทรีย์ประชุมองค์มรักอ่ะการตรัสรู้ธรรมจึงจะเกิดขึ้นมันก็ทําอินทรีย์ให้เกิดขึ้นนะนะถ้าศรัทธาก็ต้องน้อมใจไปน้อมใจไปในในธรรมะเหล่านั้นด้วยอำนาจของศรัทธาไอ้วันก่อนนี่ว่าศรัทธาเป็นยังไงนะศรัทธานี่ท่านนึกใช้คําว่าศรัทธาต้องนึกถึงอะไรศรัทธาคืออะไร เลื่อมใสนะมันก่อนเนี่ยใช้คําว่าเลื่อมกับคําว่าใสเหมือนกันเดี๋ยวมันบอกก็เชื่อแล้วเออฉันเชื่อแล้เชื่อแล้วศรัทธาแล้วนะถ้าเชื่อนี่ไม่แน่นะว่าศรัทธาหรือเปล่าแต่ถ้าเลื่อมใสเนี่ยนะก็คือก็บอกว่าท่านยกในมิลินทะปัญหาเนี่ยนะศรัทธาเหมือนกับแก้วมันีของพระเจ้าจากักรพรรดิอ่ะที่ทําให้น้ําใสได้อ่ะศรัทธา ก, ก็เหมือนกันเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วก็จะยังจิตให้ให้เลื่อมให้ใสเหมงอนกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อจิตที่เลื่อมใสก็ปารบทานศีล ภาวนาเป็นต้นนะนะอันนั้นคือกิจของศรัทธาทีนี้ก็ทำให้มันใสขึ้นใสขึ้นใ ส, ข, นสขึ้นอันนี้เป็นกิจของศรัทธาเนี่ยนะแต่ว่าศรัทธาจะมีได้ก็อาศัยพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะพวที่พออพุนสัตทินรีเหล่านี้เนี่ยนะพุทธคุณต้องต้องแม่นมากเนี่ยนะเขาบอกว่าหนทางนี้พระสุคตแสดงแล้วเนี่ยนะพระสุคตแสดงแล้วหรือว่าหนทางนี้พระตถาคตประกาศแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยจะ พ, อพ่อภูนศรัทธาย้ําว่าทางนี้เนี่ยมีคนพ้นทุกข์แล้วนะเะนั้นอันนี้อาศัยศรัท ธ, ธาแต่ความเพียรนะ่ะความเพียรความพยายามเนี่ยนะต้องประคองเอาไว้เลยเหมือนกับอะไรไม้คำ้ำใช่ไหมท่านบอกว่าไม้ค้ำไม่ให้เรือนเก่าๆมันพังลงมานะมันจะต้องประคองไว้ให้กุศลเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพั้นกุศ ล, ลจิตต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะ น, น, นี้เรียกว่าความเพียรแล้วก็ตั้งสติไว้มั่น เนี่ยนะสติงอุปทหานโตเนี่ยนะอุปทานก็คือเข้าไปตั้งไว้นั่นเองเข้าไปตั้งไว้เข้าไปตั้งไว้ไไว น, น, นะแล้วก็ตั้งจิตไว้ชื่อว่าศึกษาก็คือจิตตังสมาทานโตเนี่ยนะสมาธินั่นเองก็คือเข้าไปตั้งจิตนะความเป็นไปของจิตแล้วก็เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาปัญญานันโตเนี่ยปัญญานะก็คือรู้ชัดหรือว่ารู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆอันนี้ ทั้งหมดเหล่านี้ก็ชื่อว่าศึกษาหรือว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเห็นไหมอันนี้เริม่มอะไรเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนไอะไรคือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งอริยสัจสี่นะเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งว่างั้นเถอะเมื่อกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ชื่อว่าศึกษาปริญเยยังปริชานันโตอันนี้เป็นชื่อของอะไร ธรรมะที่ควรกําหนดรู้เป็นชื่อของทุกขสัตวร์หรืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะเข้าไปทำปริญญาในอุปาทานขันห้าอันนี้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมะที่ควรละชื่อว่าศึกษา น, นะประหาตับพังปะชะหันโตสิทธติเนี่ยนะละธรรมะที่ควรละนี้เป็นชื่อของสมุทัยสัตว์เมื่อเจริญธรรมะที่ควรเจริญชื่อว่าศึกษา นะธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยนะเป็นภาเวตพังภาเวนโตสิคเตเนี่ยนะเจริญธรรมะที่ควรเจริญอันนี้เป็นชื่อของมกษัตรเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ควรเจริญเมื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งสัจชิกาตพังสัจชิกาโรนโตเนี่ยนะทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้ ง, จ ง, จงเป็นชื่อของนิโรศสัตว์เนี่ยนะเพรลักษณะทั้งหมดนี้ชื่อว่า สิกขาอันนี้มาจากไหนเว้นจากปานาติบาตละปานาติบาตเจตนาที่เป็นค่าเสร็จต่อปานาติบาตสังวรนะคือสังวรสํารวมต่อปานาติบาตอาวีติกมะไม่ล่วงละเมิดปานาติบาตแล้วก็กุศลธรรมก็เกิดพ่อพูนขึ้นพ่อพูนขึ้นเนี่ยนะฐานจากปานาติบาตเป็นฐานอันเดียวเนี่ยสามารถยังโลกุตระธรรมให้เกิดขึ้นได้แทงตลอดอริยสัจได้แต่ น, นี้วันแล้วแต่ใครนะ อันนคืออันนี้ ห, หัวข้อหลักก็คือเรื่องศีลแต่ว่าศีลเนี่ยท่านท่านแสดงวิธีพัฒนาศีลให้ขึ้นไปได้ยังไงท่านจะค่อยๆแสดงวิธีการพัฒนาเกิดขึ้นของศีลเพราะว่าสิกขาสามเนี่ยนะมันละอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วเห็นนะเพราะว่าผู้ที่มีศีลสิกขาเนี่ยนะถ้าไม่ไม่น้อมไปเพื่ออธิจิตไม่เป็นไปเพื่อที่ปัญญานะศีลอันนั้นจะเป็นศีลธรรมดาทันทีเลย แต่ถ้าหากว่าน้อมศีลไปเพื่อสิกขาชั้นสูงเพื่อเกินเกิดขึ้นแห่งโลกุตระอันนั้นจึงจะเป็นอธิศีลสิกขาแต่ถ้าปารบเออให้ศีลเกิดขึ้นเฉยๆก็เป็นศีลสิกขาเฉยๆเนี่ยนะนะความหมายของสิกขานะถ้าค่อยๆสังเกตดูก็จําไม่ยากนะแต่ของมาก็ยังจําไม่ได้เลยการเรียงลําดับตามคําสอนเนี่ยนะก็นับว่าสําคัญมากเพราะว่าผู้ที่แสดงเนี่ยคือภาษาลิบุตร เพราะั้การที่ท่านแสดงเนี่ยนะท่านจะมองภาพออกหมดตลอดสายเลยเพราะฉะนั้นท่านจะวางถ้อยคาต่างๆเนี่ยนะซึ่งเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันหมดทะนะนั้นการทรงจาตามลำดับนี่ก็นับว่ามีความสำคัญ ม, มากนะแต่ให้ให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าถ้ารู้จริงเรื่องปานาติบาตอย่างเดียวเนี่ยนะสามารถยังโลกุตระทมให้เกิดได้อะเนี่ยนะเนี่ยนะฐานจากการเว้นจากปานาติบาตเนี่ยนะ คือคื อ, อ ท, ท, ที่ภาษาริบุให้ให้ความหมายของคําว่าสิกขาเนี่ยไม่ว่าสิกขาอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสิกขาศีลสิกขาหรือจิตสิกขาหรือหรือปัญญสิกขาเนี่ยก็ก็เป็นไปตามข้อเหล่าเนี้ยเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นปัญญาสิกขาก็หมายความว่าไปนึกถึงเรื่องข้อหนึ่งก็คือไปนึกถึงเรื่องของขันธ์าตุอายตนะใช่ไหมครับสมมตินะ พอเมื่อรู้ก็รู้เกี่ยวกับขันธ่าตุนายตนะนะเมื่อเห็นเมื่อพิจารณาพิจารณาก็พิจารณาขันธาตุนายตนะแต่ถ้าเป็นอธิจิตก็หมายความว่าก็นึกถึงที่จะออกจากการรมนึกถึงที่จะให้กุศลมันติดต่อกันนานๆห น, น, น, น, นีใช่ไหมครับเจ็ดพัเมื่อพิจารณาก็ต้องพิจารณาเกี่ยวกับโทษของกา ร, รพิจารณาคุณของการออกจากการรมก็หมายก็เป็นเรื่องของสิกขาเป็นเรื่องของที่จิตไปเรื่อยเลยจ้ แต่คศีลก็หมายความว่าถ้านึกถึงศีล น, นี่ก็ไล่มาเป็นเรื่องของศีลไปก่อนใช่ไหมครับสรุปแล้วอ่าไ อ, า อ, าอาตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเอ่อมันเป็นกรอบมันเป็นกรอบเป็นที่จริงแล้วในนี้เนี่ยนะ <c oughs> เป็นตารางให้เราดูเฉยๆ <c oughs> แต่ทีนี้ว่าเอาตัวสศกขาแระเอาอารมณ์ของศกขาแล้วก็จะสลับกันเนี่ยนะ <c oughs> คือในในภาพในในหน้าหนังสือเนี่ยนะมันมีเบื้องหลังที่เป็นสภาวธรรมอยู่เนี่ยนะ มันว่าถ้ากุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เอาเรื่องกุศลศีลเนี่ยมาวิจัยอธิจิตตสิกขาเนี่ยก็มีเอาตัวจิตมาวิจัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อธิปัญญาก็มาวิจัยและสลับกันนะถ้าสิกขาสลับกันจะเป็นยังไงเห็นไหมแต่ละอย่างมันช่วยเหลือเกือก้อกูลกันได้อย่างไรถ้าหากว่าความเข้าใจลักษณะนี้ไม่ได้ไม่รู้จักเจริญกุศลธรรมอย่างไรเห็นไหมมันเจริญไม่ได้อยู่แล้วพอพอมองเห็นพอมองเห็น การที่จะศึกษาไตรสิกขาเหล่านี้ว่าศึกษาไงแต่ว่าทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมว่าผู้ที่ศึกษาในวงการธรรมานี่เป็นถวนมากนะฮะจะเข้าใจคําว่าสิกขาเนี่ยแคบมากๆเลยแคบมากๆก็อธิบายศึกษาเป็นสุตตะไปแค่นั้นเองเช่นทางกุศลเซนเหล่านี้นะต้องมัน ทำให้เกิดให้บ่อยๆนะถ้าเกิดไม่บ่อยจริงๆก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากว่ากุศลเหล่านี้เกิดไม่มากเนี่ยนะที่จะเจริญเทวตานุสต oh, ิว่าโอ้เทวดาเราได้มีศีลยกตัวอย่างเทวดาชั um ้นจาตุลมหาราชิกามีศีลเราก็มีศีลอันนี้เทียบได้ไหมครับเทวดาชั้นดาวดึงมีศีลเราก็มีศีลเทวดาชั้นยามามีศีลเราก็มีศีลเทวดาชั้นดูสิตมีศีลเราได้เราก็มีศีลอันนั้ นะนางวิสาขามีศีลแบบไหนเราก็มีศีลแบบนั้นนิ ม, มานารดีนีนะหรือปรนิ ม, มิตาวัสวัสดีเนี่ยนะหรือว่าพรหมกายิกาเป็นต้นเนี่ยนะพรหมโลกมีศีเลเราใดเราก็มีศีลอ น, นั้นเจริญจนกว่าที่จะวิธีสังเกตดูก็เจริญเทวตานุสติดูถ้าหากว่าเราว่าศีลเราดีๆนะเทวตานุสติมาเจริญดูถ้าเจริญแล้วอาจฐานร่าเริงยิ้มแป้เลยแสดงว่าเราใช้ได้ละนะแล้วก็รักษาวไว้นะไม่ใช่ยิ้มแล้วก็พอและเลิกแล้วไม่ใช่ แล้วก็รักษาไว้จะให้เสื่อมแต่แดงว่าไปดีแน่ก็บอกว่าศีลดังกล่าวนี้เป็นศีนที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนคือท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงามเนี่ยนะคือศีนลักษณะนี้แหละจริงเอามาเจริญศีลานุสติได้ก็ต้องเป็นศีนยังไงศีนที่ไม่ขาด เพราะลาบเพราะยศเพราะญาติเพราะอาวัยวะเพราะชีวิตอ่ะนะสินที่รักษามาดีแบบนี้นี่แหละเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนคือท่านผู้รู้สารเสริญเป็นสีลที่ไม่ถูกตันหาและทิฐิครอบงำอ่ะนะนื่ถึงกุศลสินเหล่านี้ที่เคยเจริญมาอันนี้เป็นศีลานุสติแล้วก็ไปเทียบกับเทวดาเข้าก็เป็นเทวตานุสติว่าเชื่อมได้หมดเลยพระสงฆ์ทั้งหลายมีศีลเหล่านี้ก็เป็น สังขานุสติศีลเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัตทุกข์ก็เป็นธรร ม, มานุสติโอ้พระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมคือศีลทั้ทงหลายเหล่านี้ก็เป็นพุทธานุสติเชื่อมได้หมดเลยถ้ามีแล้วนะเชื่อมไม่ยากไม่มีนี่โอยากกันหมดเลยเลยไปหาเรื่องศีลเรานาะศีลละมยญาณในหน้าสิบสอง ทนี้เรากล่าวถึงศีลประเภทปัญจกะนะปัญจกะคือหมวดห้ากล่าวถึงปหาณนะเวรมนีเจตนาสังวรและอวีติกรรมะเในศีลทั้งห้าอย่างนั้นเป็นกุศลธรรมที่เวน้นเกุศลธรรมที่ละกุศลธรรมที่เป็นค่าศึก กุศลธรรมที่สังวรสำรวมกุศลธรรมที่ไม่ล่วงละเมิดในอกุศลกรรมบททั้ง10บประการเมื่อวานกล่าวไปเฉพาะข้อเดียวคือปาณาติบาตถ้าเข้าใจปานาติบาตซะอย่างเดียวนะอย่างอื่นสบายมากผ่านสอบผ่านหมดเลยถ้าเข้าใจนะทํำไมเข้าใจแต่เดงว่าตกหมดเลยทีนี้ว่าต่อไปก็เป็น เกี่ยวกับเรื่องอธินาทานเนี่ยนะจะมีข้อความที่เป็นปยานอย่างเอาไว้นะเช่นปหานะการละอธินาทานก็เป็นศีลเวรมณีการเว้นจากอธินาทานก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่ออธินาทานก็เป็นศีลสังวรเนี่ยนะความสำรวมอธินาทานก็เป็นศีลอวีติกมะการไม่ละเมิดอธินาทานก็เป็น ศีลใครอยากรักษาศีลให้เยอะๆก็เอาธรรมะเหล่านี้ไปใส่ก็เยอะเองใช่ไหมกุศลกรรมบทสิบคูณ้าเท่ากับห้าสิบเลยโอ้โหเยอะขึ้น้ะนะกุการเนี่ยเยอะแล้วไม่ต้องกลัวบันน้อยหนะึ่งสองสามสี่น้อยจังเอานี้ไปห้าสิบเลยสมมาทานรักษาห้าสิบข้อเลยทีนี้ต่อไปว่าปหานะการละการเมสุมิจฉาจาร์ก็เป็นศีลเนี่ยนะเวรมณี การงดเว้นจากการเมสุมิชฉาจาร์ก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่อการเมาสุมิชฉาจาร์ก็เป็นศีลสังวรหรือสำรวมการเมสุมิชฌาจาร์ก็เป็นศีลความไม่ล่วงละเมิดนะอวีติกมะต่อการเมสุมิชฌาจาร์ก็เป็นศีล น, นะนี่ถ้ามุสาวาตเป็นยังไงการละมุสาวาตก็เป็นศีลประธานะเนี่ยนะละมุสาวาตเลย เวรมณีการเว้นจากมุสาวาตก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อมุสาวาตก็เป็นศีลความสำรวมหรือว่าสังวรต่อมุสาวาตก็เป็นศีลอวีติกมะการไม่ล่วงละเมิดต่อมุสาวาตก็เป็นศีลเดี๋ยนต่อไปปิสุนาวาจาก็เหมือนกันนะการละปิสุนาวาจาคือเว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 ปิสุนาวาจาก็คือการนินทาว่าร้ายคนอื่นปิสุนาวาจานั้นการกล่าวเนี่ยนะมีความประสงค์สองอย่างนะคนที่พูดส่อเสียดเนี่ยนะมีความประสงค์สองอย่างคือหนึ่ง<อ>เหตุผลที่ว่าร้ายคนอื่นนะส่อเสียดคือการว่าร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะนะประสงค์ให้คนที่เราว่าร้ายเนี่ยเขาแตกแยกจากคนที่เขากำลังฟังอยู่ ยกตัวอย่างเนี่ยของ ม, มาเนี่ยสมมุตินะว่าร้ายผู้การธนัดต่อ ก, กับผู้การธงชายเนี่ยถ้าพูดถึงความไม่ดีของผู้การธนัดนะเหตุผลสองอย่าง1ให้สองคนนี้แตกกันซะสเมื่อเราเอาความไม่ดีเข้ามาพูดมากๆแล้วผู้การธงชายก็จะชอบอาตมามากขึ้นถ้าลักษณะนี้เรียกว่าปิสุนาวาจา